เ่วานรได้พูดถึงสตินะว่าลักษณะสำคัญประการ น, นั่คือความระลึกได้ระลึกได้หรือนึกได้ซึ่งก็มีทั้งตั้งใจนึกแล้วก็นึกขึ้นมาได้เองมีทั้งระลึกได้เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวเช่นสิ่งของผู้คน หรือระลึกได้เกี่เรื่องตัวเองว่ากําลังทําอะไรหรือว่าใจกําลังเป็นอย่างไรในสิ่งที่เราต้องการฝึกนะเมื่อมาที่นี่คือสติที่ทําให้เราเระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นการระลึกขึ้นมาได้เอง ให้มันระลึกขึ้นมาได้แบบเร็วๆไม่ใช่เผลอไปไกลล่องลอยไปอดีตหรือว่าไปอนาคตหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์จนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ทันทีที่เราระลึกนึกขึ้นมาได้นี่มันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะใจก็จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัว ลักษณะหนึ่งของสตินะที่สืบเนื่องหรือใกล้เคียงนะกับความระ ล, ลึกนึกขึ้นมาได้ก็คือการรู้ทันรู้ทันในละมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นโดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลเก่งความโกรธความหงุดหงิดความเครียดเขามไปตกกังวลก็รู้ทันนะก่อนที่มันจะ เข้ามาเล่นงานจิตใจหรือว่ามันเข้ามาเล่นงานครอบงามจิตใจแล้วก็รู้ทันนะสามารถจะหลุดออกมาได้นะดึงจิตหลุดออกมาหรือบางทีเราก็เรียกว่าวางนะวางมางันละงไม่แบกมันเอาไว้ต้องอาศัยการรู้ทันคนเราจะรู้เนื้อรู้ตัวได้ไวหรือรู้เนื้อรู้ตัวได้ต่อเนื่องเนี่ยนะมันก็ต้อง รู้ทันไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ในรวมถึงความคิดด้วยความคิดที่มันฟุ้งปรุงแต่งนะแล้วก็ครอบงามจิตหรือว่าล่อหลอกนะล่อลวงจิตบางทีมันก็ล่อไปไกลแล้วก็มารู้ทั น, นว่าไอ้ น, นี้ไม่ใช่นะเหมือนกับ เด็กนักเรียนนะที่มีพูมิชาชีพเนี่ยมาหลอกนะอาจจะมาหลอกว่าเนี่ยวันนี้พ่อแม่ไม่ว่างนะก็เลยให้เข้ามารับนะทีแรกเด็กก็หลงเชื่อนะก็เดินตามนะมิชาชีพคนนั้นไปแต่สักพักเนี่ยก็ รู้ทันว่าอ้นี้ไม่ใช่นะก็รีบหนีกลับเข้าโรงเรียนเลยนะอันนี้เปรียบเกื้กับสตินะที่ทำให้จิตเรารู้ทันนะโดนความคิดมันหลอกไปแล้วโดนอารมณ์มันหลอกล่อไปแล้วบางคนนี่ก็โดนมันหลอกไปจนหมดเนื้อหมดตัวคนที่ไม่มีสติเนี่ย ก็เหมือนกับเด็กนักเรียนที่ถูกหลอกนะพอไปถึงซอยเปลี่ยวมันก็เอาเงินเอาโทรศัพท์เอาทรัพสมบัติของเด็กไปเรือหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มันก็มาวันรุ่งขึ้นมันก็มาใหม่แล้วก็หลอกได้สำเร็จทีนะหลอกได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอันนี้เรียกว่าไม่มีสตินะ โดนหลอกอยู่ร่ําไปนะนะส่วนใหญ่พวกเราก็เป็นอย่างนั้นนะไอความคิดที่มันผดขึ้นมาที่จริงมันเกิดจากการปรุงแต่งของเรานี่แหละเกิดจากการปรุงแต่งของใจเราแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันก็มีอำนาจครอบงําจิตเพราะจิตเราไม่รู้ทันไม่ใช่แค่ความคิดนะรวมถึงอารมณ์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิดด้วย ส่วนใหญ่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมนเริ่มก่อตัวมาจากความคิดก่อนเช่นเราไปนึกถึงคนที่เราไม่ชอบนึกถึงคำพูดที่ต่อว่าด่าทอเราแล้วก็โกรธนึกถึงเงินที่หายสมบัติที่ถูกโกงไปนะก็เสียดายเสียใจหรืออาจจะมีความโกรธควบควบไปด้วยนึกถึงความผิดพลาดในอดีตก็รู้สึกผิด นะไออารมณ์เนี่ยมันมักจะเกิดนะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นนะความคิดมันปรุงแต่งอารมณ์แล้วอารมณ์มก็ปรุงแต่งความคิดพอโกรธใครไม่พอใจใครก็จะขุดคุยนะถึงการกระทาของเขาในอดีตหรือบางทีก็โยงไปถึงคนรอบข้างของเขานะมันปรุงมันใหญ่เลย แล้วเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์นั้นถูกมันล่อหลอกนะให้ทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเครียดจนความดันขึ้นนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นพราะไม่มีสติรู้ทันนะโดนมันหลอกนะแต่ถ้าเรามีสติรู้เราก็จะรู้ทันได้ไวนะนะอย่างที่เปรียบเทียบ ว, ว่าเนี่ย มิจฉาชีพมาหลอกเด็กนะแต่ว่าเด็กก็หลงเชื่อได้ไม่นานนะบางทีเดินออกไปจากออกจากโรงเรียนสองสมเกก็รู้ทันว่าไอ้ไอนี่ไม่ใช่นะนะรีบกลับเข้ามาที่โรงเรียนเลยปลอดภัยนะหรือว่าเด็กอยู่บ้านนะแล้วก็มีมิจฉาชีพมาหลอกนะว่าพ่อแม่เรียบให้ไปที่โรงพยบาบาลนะ พ่อประสะอุบัติเหตุรีบไปเร็วๆโรงพยาบาลนนะ่นเด็กก็หลงเชื่อออกจากบ้านออกไปได้สองสก้าวก็รู้ทันว่าไอ้นี่ไม่ใช่นะรีบกลับเข้าไปในบ้านเลย mm. เกิดอะไรขึ้นปลอดภัยนะไม่ถูกหลอกเนี่ยสติเนี่ยมันทำหน้าที่เนี่ยคือมันทำให้รู้ทันรู้ทันความคิดและอารมณ์นะไม่เผลอถูกหลอกหรือว่าถูกหลอกไปสักพักหนึ่งแล้วก็ าสามารถจะนะสลัดออกมาไดนะ้นอกจากการรู้ทันและลักษณะหนึ่งของสตินะก็คือการเห็นดูใส่ใจหรือสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเห็นนะดูรู้สังเกตใส่ใจอันนี้ก็ เป็นลักษณะรวมๆกันนะของสตินะเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราจิตใจเราใส่ใจอยู่กับงานได้ต่อเนื่องหรือเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็อ่านได้ต่อเนื่องนะใจเราใจเราอ่าตดจอรับรู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังอ่านหรือมีคนมาคุยนะจะคุยสนุกหรือว่าจะคุย เพื่อมาปรึกษาหารือเราก็ติดตามรับรู้คำพูดของเขาได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่วอกแวกอันนี้ก็เป็นงานของสตินะมันเป็นการมันช่วยทำให้จิตของเราใส่ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำหรือสิ่งที่กำลังรับรู้แต่จะไม่ใช่ใส่ใจแบบหมดเนื้อหมดตัวนะ มันจะไม่ใช่มันจะใส่ใจแบบยังมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะต่อเนื่องก็จริงนะแต่ไม่จมหายเข้าไปเช่นขณะที่ฟังก็คุยฟังก็พูดเนี่ยก็ไม่ใช่จมไปกับความเศร้าความโศกนะของคนที่มาปรึกษาหารืออันนี้ไม่ใช่สติมันจะมีลักษณะ ท, ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใส่ใจอยู่กับสิ่งที่ปรากฏเฉพาะนาหรือสิ่งที่รับรู้นะ แล้วก็โดยที่มีลักษณะของการที่ไม่ตัดสินนะไม่ตัดสินก็คือพูดง่ายคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะไม่ผักใสนะแล้วก็ไม่เคลิมคล้อยนะมันเป็นลักษณะจะเรียกว่าความใส่ใจแบบมีระยะห่างก็ได้หรือใส่ใจแบบไม่เข้าไปคุกคีหรือว่าไปพัวพันธุ์ด้วย บางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับอยู่บนหอคอยแล้วก็มองดูเมืองที่อยู่ข้างล่างหรือมองดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่เบื้องล่างนะมันเป็นการสังเกตเป็นการรับรู้นะโดยที่ไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปพัวพันไม่เหมือนกับคนที่ว่ายอยู่ในกระแสน้ำอันนั้นนะคือผู้ที่จมอยู่ในอารมณ์ละ แต่สติเนี่ยนะมันเหมือนคนที่อยู่บนหอคอยนะเห็นกระแสน้ำที่ไหลผ่านแต่ตัวไม่เปียกแล้วก็ไม่เหนื่อยนะมันเป็นลักษณะองการที่ครูบาตจารท่านก็ใช้คาว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆคือดูสังเกตเห็นนะแต่ว่าไม่เข้าไปผัวพันไม่เข้าไปคุกขีตีโมงหรือไม่เข้าไปต่อรอดต่อเถียงด้วยนะได้ยินเสียงดังนะ เสียงกระทบผูได้ยินนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่เข้าไปทะเลาะ ก, กับเสียงนั้นนะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานเสียงมันเพาะนะเสียงนกร้องเสียงดนตรีที่ไพเราะ ก, ก็รู้แต่ไม่ใช่หลงตามไปนะเป็นการรู้นะด้วยใจที่เป็นกลางนะเป็นการรู้แบบวางระยะนะอันนี้นเป็นลักษณะของสติ บางทีเราก็เรียกว่ารู้เฉยๆนะหรือว่าเห็นเฉยๆแล้วก็จะมีลักษณะของความผ่อนคลายนะนอกจากเป็นกลางแล้วเนี่ยมันก็มีความผ่อนคลายไม่ยินดีไม่ยินไลายไม่เครียดนะท่านเปรียบนะูเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เลี้ยงวัวนะขณะที่วัวตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมันเล็มหญ้า คนเลี้ยงวัวก็ดูอยูงห่างบางทีก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ดูวัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะี่ยสีงความผ่อนคลายนเนนถ้าเกิดว่าเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราสึกเครียดนะเราพยายามที่จะไปควบคุมความคิดนะไปกดข่มอารมณ์ที่ไม่ชอบเนี่ย อันนั้นไม่ใช่ลนะมันไม่ใช่สติแล้วมันไปคนละทางกับสติแล้วสตินี่แค่ดูเฉยเฉยนะดูเฉยเฉยดูด้วยใจที่เป็นกลางดูที่โดยที่โดยที่ไม่เข้าไปคุกคีตีโมงหรือว่าไปต่อรอดต่อเถียงกับสิ่งที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิกก่นเสียงนะที่ได้ยินหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจรวมทั้งความคิด ซึ่งเรียกลมๆว่าทำอารมณ์นะการรู้เฉยๆหรือการเห็นหรือสังเกตแบบมีระยะห่างด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันมันมันไม่มีอะไรนะมันมีอนุภาพมากทีเดียวอารมณ์และความคิดปรุงแต่งเนี่ยนะพอมันเจออาการแบบนี้ของสตินะมันก็อ่อนมันก็ปวกเปียกไปเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นความยินดียินร้ายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโกรธความเกลียดเพียงแค่รู้เฉยๆเนี่ยดูมันเฉยๆดูมันห่งหางๆเนี่ยนะแค่เนี้ยมันก็ยอมแพ้แล้วหรือเพียงแค่เรารู้ทันมันนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลัตตุโลนะว่าหลวงปู่ทำไมจะตัดความโกรธให้ขาดได้ อันนี้คงเป็นปัญหาของหลายคนนะคนที่โกรธคนที่หงุดหงิดทำไงจะตัดมันให้ขาดทำไงจะกดข่มมันหลวงปู่ตอบไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองหรือเมื่อเห็นมันหรือว่าเมื่อรู้เฉยๆเนี่ยนะพระจาร์ประสงค์ปริปุโนโนเล่าว่าเคยเจอเด็กคนหนึ่งนะ อายุแปดขวบเป็นไงนะเป็นผู้หญิงเด็กฉลาดนะคุยไปคุยไปเออท่านก็เห็นเด็กคนนี้ฉลาดเป็นเด็กดีสนใจธรรมะก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลวงเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูนะว่าแล้วก็ดึงอ่รูปกรรมออกมาจากย่ามเด็กเห็นเด็กร้องอู้ฮูพระอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรนะ แทนที่เด็กจะบอกตอว่าหนูเห็นรูปรคำเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะนะสังเกตนะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจนะข้างในคืออะไรคือใจไอ้ตรงนี้แหละคือสตินะสติมันทําให้เห็นสติมันทําหน้าที่เห็นนะเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นนะ เห็นกับเป็นมันต่างกับตรงนี้เห็นเนี่ยก็คือเห็นข้งแนไมนดีใจแต่ถ้าเป็นผู้ดีใจหรือหนูดีใจนี่แสงแสงเขาเข้าไปเป็นละพระาจาประสงค์ก็ถามต่อนะแล้วหนูทำาอะไงกับมันเด็กตอบว่าหนูไม่ทำอะไรกับมันค่ะหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันมันเบาลงละความดีใจมันลดลงละ สิ่งที่เด็กทําก็คือรู้เฉยๆนะหรือสังเกตทางห่างหรือรู้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะไม่ใช่คล้อยตามมันแล้วก็ไม่ใช่ไปต่อต้านผักสายมันไอ้แค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็ทําให้ความดีใจเนี่ยมันสงบลงอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะความดีใจนะความเสียใจความกลัวก็เหมือนกันนะพอรู้ทันหรือพอรู้เฉยๆเนี่ย มันก็ฟอลงไปเลยนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะไปโรงเรียนที่อยู่ชานเมืองเด็กๆ ก, ก็มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลิกเรียนเนี่ยก็จะมีรถติดเป็นแถวเลยติดทั้งซอยเลยนล่นะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะเอารถมารับบางทีผู้ปกครองก็ขับรถมาเองมารับเด็กนะกลับบ้าน แล้วโรงเรียนนี้่นะี่ยเขาก็หาที่จอดรถลําบากนะรถนี่ติดกันแล้วเนี่ยก็ต้องไปอ้อมวงเวียนถึงจะถึงจะจอดรถได้มีผู้ปกครองคนนึ่เปไ็นนายทหารรถก็เข้าไปในโรงเรียนแล้วแต่ว่ายังติดนะมองไปทางขวามือเห็นที่จอดรถปกติจะต้องอ้อมวงเวียนก่อนถึงเข้าไปจอดได้ แต่ผู้ปคกครองคนนี้กลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไม่อยากคอยนา น, นรถมันติดอยู่ก็เลยหักขวาเสียบเข้าที่จอดรถเลยนะบอกกันว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาอ้อมมาเขาข้อมองเวียนเขาก็เล็งที่จอดรถนั้นเหมือนกันแต่บอกว่าโดนแย่งไปก่อนผู้ปกครองนั้นก็เลยไม่พอใจ ก็เลยลงมาต่อว่านายทหารคนเนี้ที่อามาแย่งที่จอดรถของเขานายทหารคนนั้นเนี่ยพอถูกผู้ปกครองต่อว่าแกก็ไม่พอใจนะอาจจะเป็นเพราะไม่มีใครเคยต่อว่าแกมาก่อนนะเป็นนายทหารเนี่ยอาจจะเป็นระดับยศไหนพันหรือในพลได้ซ้ําเนี่ย พอถูกต่อว่านายถามก็บอกว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครนประโยคนี้เราคุณนะมืองที่ว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงรู้ไหมกูเป็นลูกใครอะไรเงี้ยนะพวกเขาจะบอกผมไม่สนใจคุณเป็นใครคุณทําผิดระเบียบทำยิ่งไม่ถูกนะว่าแล้วก็เดินกลับไปที่รถของตัวนายถางคนนั้นไม่พอใจมากโกรธคว้าปืนอยู่ในรถเนี่ยเดินตามไปเลย นะองนึกภาพนะคนที่ถือปืนเดินตามอีกคนหนึ่งไปผู้ปกครองันนั้นไม่รู้ตัวเลยนะว่าใกล้จะถึงคาดแล้วแร้วก็เพอเอิญ น, นะมีพนักงานนะขับรถของโรงเรียนนั้นเนี่ยอยู่ในเห็นเหตุหการณ์แกก็รู้ว่าเฉยไม่ได้แล้วมันต้องทําอะไรสักอย่างแต่เราคงทราบใช่มไหมพลเมืองดีหลายคนก็ตายเพราะไปห้ามไปห้ามคนไม่ให้ทะเลาะกัน นะไอ้คนที่จะไปไอ้คนที่ถูกห้ามก็เลยโกรธคนห้ามนะพลเมืองดีตายแบบนี้เยอะนะแต่ว่าผู้พนักงานคนที้ฉลาดนะแกเป็นคนที่แม้จะเรียนน้อยแต่ว่าเป็นคนที่มี EQ เข้าใจจิตวิทยาคนแกก็คงรู้ว่าถ้าไปซุ่มซ่ามเนี่ยก็คงจะตายเลยเพราะตัวเองนี่ก็เป็นแค่พนักงานผู้น้อย เราก็เดินไปหาหนายฐานคนนั้นแหละซึ่งตอนนั้นกําลังน้ามึดนะโกรธใช่ไหมเดินไปถึงก็แตะแตะเบาๆที่มือที่แขนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณพ่อครับคุณพ่อมารับลูกไม่ใช่หรือครับเท่านี้แหละนะนายฐานคนนั้นได้สติเลยพอได้สติก็รู้ตัวว่ากลัวเองตัวเองกําลังโกรธจัดนะพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยความโกรธมันหายเลยนะ หยุดเลยนะพอได้พอมีสตะนะิเนี่ยพอได้สตินะี่ความโกรธมันหายเลยรู้ตัวขึ้นมาทันทีว่ากำลังทำอะไรหยุดเลยนะหันกลับไปที่รถเลยเอาปืนเก็บความโกรธนะี่ที่มันครอมงามใจเนะี่ยจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะไปฆ่าคนอยู่แล้วนะพอมีคนท่าแบบนี้ได้สติเลย พอสติมาปุ๊บนี่นะอารมณ์เนี่ยมันหายไปเลยความโกรธนี่มันวูบไปเลยมันไม่ต้องกดขมแะร้งสิ้นนะเพียงแค่รู้ทันเนี่ยนะรู้ว่ากำลังโกรธเนี่ยนะความโกรธเนี่ยมันมันหายไปเลยเพราะมันยอมแพ้เพราะมันมีจุดอ่อนจุดอ่อนของความโกรธคือถ้ามันถูกรู้ถูกเห็นม่อไห่เนี่ยมันก็จะสลายหายไปเพราะตอนที่โกรธเนี่ยนะมันไม่รู้ตัว ความโกรธเนี่ยมันอยู่ได้มันเกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้ตัวหรือเพราะความหลงแต่พอรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้แล้วนะอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาตินะเกิดขึ้นกับทุกคนทุกอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะไม่รู้ตัวนะแต่พอรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็หายไปเลยก็กลายเป็นว่านะ นายทหารคนนั้นนะก็ไม่ได้ทําผิดนะไม่ต้องเป็นฆาตากรหรือเป็นผู้ร้ายอาศัยสติสตินี้มาจากไหนสตินี้ก็มาจากนะคําพูดและการกระทำนะของพนักงานคนนั้นแตะที่แขนแล้วพูดขึ้นมาพูดถึงนึกถึงลูกพอพูดถึงลูกขึ้นมานี่มันไอความเป็นพ่อนี่มันเข้ามาแทนที่ความเป็นนายทหารเลยนะ ไอตอนที่ไปข้าวนี่มันเคลียบตัวเป็นนายทหารเนี่ยถูกเหยียดยามแต่พอพูดถึงลูกเนี่ยความเป็นพ่อกลับมาพอความเป็นพ่อกลับมาปุ๊บเลิกเลยนะไอความเป็นเราความเป็นนั่นเป็นนี่ของคนร้อนเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เร็วมากไอตอนที่เป็นนายทหารนี่ก็ใครมาข่มขีไม่ได้แต่ถ้าเป็นศิษย์เมื่อไหร่นะอาจารย์จะเรียกจะด่ายังไงก็ไม่ว่านะหรือถ้าเป็นพ่อเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะนึกถึงลูกขึ้นมา ความอ่อนโยนนะความห่วงใยก็จะมาอนนาะนี่นาถามนนั้นได้สติเพราะมีคนมาทักแต่คนเราเนี่ยนะจะรอให้มีใครมาทักมีใครมาช่วยเนี่ยมันไม่ได้นะเวลาโกรธแล้วมีคนมาทักเนี่ยบางทีมาทักนี่ทำให้โกรธหนักนะ เจงกำลังโกรธบอกอย่าโ ก, กรธอย่าโ ก, กรธเป็นนักปฏิบัติธรรมโกรธไม่ได้อันนี้ยิ่งโกรธใหญ่เลยกู <c oughs> เป็นนักปฏิบัติธรรมกูจะโกรธไม่ได้ได้ยังไงนะบางทีมาทักนี่ยิ่งโกรธหนักนะคนต้องทักให้เป็นน ะ, ะนั้นเราจะเวลาเราเวลาเราโกรธเวลาเราทุกเนี่ยนะมันจะร้อยใครมาทักร้อยใครมาเตือนสติเนี่ยบางทีไม่ทันการนะเราต้องทำของเราขึ้นมาเองเราต้องสร้างสติฝึกสติของเราขึ้นมาเอง ให้สติเนี่ยมันสามารถจะลุกขึ้นมาหรือออกมาได้ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสติจึงสำคัญมันจะไม่ทำให้เราเนี่ยหลงจมอยู่ในอารมณ์หรือถูกอารมณ์เนี่ยมครอบงำจนกระทาั้งทำสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังนะจะมีความรู้แค่ไหนนะพออารมณ์มันเกิดขึ้นก็เสียผู้เสียคนกันทั้งนั้นแหละ อย่างที่เราได้ยินสำนวนของสุนทรพูดนะความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขาดสติมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วน่สิ่งที่หมอวิสุทธ์พูดนะสิ่งนี้สำคัญกับวิชาวความรู้เนี่ยสิ่งนี้หมายถึงว่าการครองสตินะการฝึกจิตการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญกับวิชาวความรู้ตรงนี้แหละก็คือว่ามันสามารถจะพาตัวรอดได้มันสามพั สามารถจะพาเรารอดได้เวลาเกิดวิกฤตนะมันไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพา ะ, ะมันช่วยไม่ให้เราไปทํำลายคนอื่นนะถึงเวลาเราเจออันตรายเนี่ยสติมันก็ช่วยเรานะหลายคนเนี่ยรอดจากวิกฤตได้เพราะมีสติเช่นไฟไหม้ไฟไหม้ในโรงหนังเนี่ยหรือว่าไฟไหม้ในในผับในบาร์ในห้องประชุมเนี่ยไอ้ที่ตายตายกันเยอะนี่ไม่ใช่เพราะว่าถูกไฟคลอกนะ แต่พอเหยียบกันตายที่เหยียบกันตายเพราะไม่มีสตินะแต่ถ้ามีสตินี่นะก็จะไม่รีบวิ่งนะไม่รีบพือนะแต่จะตั้งสติแล้วก็หยุดแล้วก็ดูว่าตรงไหนเป็นทางออกมีคนค้นแนะไว้โดยซ้ำนะเวลาเกิดไฟไหม้ในตึกเนี่ยแล้วก็มีคนพากันวิ่งไปทางใดทางหนึ่งก็ตามเนี่ยเขาแนะว่าอย่าเพิ่งวิ่งตามเขา ให้ตั้งสติให้ดีแล้วก็ให้หยุดรอสักพักก่อนและหว่างที่รอเนี่ยนะให้ยืนอยู่ริมริมริมริมผนังริมริมทางเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าคนที่แห่กันไปวิ่งไปเนี่ยเขาไปเจอทางตันเนี่ยเขาจะวิ่งกลับมาแล้วเขาจะวิ่งกลับมาแล้วถ้าเราอยู่ตรงตรงกลางระเบียงกลางทางเนี่ยเราก็จะโดนเขาเหยียบนะเราก็ต้อง อ่ายืนแอ บ, บแบหน่อยถ้าเห็นเขาวิ่งไปแล้วเขาไม่กลับมาแสดงว่าเขาเจอทางนะแล้วเราก็ไปทางนั้นแหละแต่ถ้าเราวิ่งตามเขานะเกิดเขาไม่เจอทางนะเขาหันกลับมานะเราโดนเหยียบเลยนะเราอยู่ข้างหลังทีแรกเนี่ยแต่พอเขากลับเขาเจอทางตันเนี่ยเขาจะวิ่งกลับมาให้เราซึ่งอยู่ข้างหลังกลายเป็นอยู่ข้างหน้าไปเลยเราก็โดนเขาเหยียบนะอันนี้ทําิ่้ได้ต้องมีสติ หรือวเวลาไฟไหม้เนี่ยนะาแน่ว่าจะไปจับลูกบิดเพราะลูกบิดอาจจะกลังอาจจะกำลังร้อนจับลูกบิดแน่นๆเนี่ยบางทีมันลวกมือเลยนะนั้นสติสำคัญมากที่ไม่เพียงแต่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปทำร้ายใครแต่ยังช่วยทำให้เราปลอดภัยจากอันตรายได้ด้วยนจะึงบอกว่าเนี่ยสติเนี่ยนะถ้าเราจะร้อยไขรมาทักเรียกสติเรากลับมาเนี่ยมันไม่พอ มันไม่ทันการเราต้องฝึกของเราขึ้นมาเองและถ้าเราฝึกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแนตะ่ช่วยทําให้เรารอดพ้นจากวิกฤตซึ่งนานๆเกิดขึ้นทีนะแต่มันยังสามารถทําให้เราหลุดจากหลุมอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นทุกวนันทุกวนันทุกวนันหลุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะทํางานนะซึ่งมันเป็นไฟซึ่งมันในหลุมนั่งก็มีไฟเผานะไฟแห่งความโกรธนะไฟแห่งความความเครียด รากายมีสติของเราเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราหลุดนะไม่หลงเข้าไปในุมอารมณ์หรือว่าไม่ถูกอารมณ์ความที่มันล่อหลอกไปนะแล้วเราก็เริ่มจากการที่เรามายกมือสร้างจังหวะนี้แหละให้ความรู้เนื้อรู้ตัวให้ความรู้สึกขณะที่มือกำลังยกเท้ากำลังเดินนี่แหละนะมันไม่ตัวเรียกสติปกติเวลาเราใจลอยเนี่ยถ้ามีคนมาแตะมือเราแตะแขนเรา เราก็จะรู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมการที่มีคนมาแตะตัวเราเนี่ยมันทําให้เราได้สติจากที่เคยปล่อยใจหลงลอยพอมีคนแตะมันมีความรู้สึกที่แขนไอ้ความรู้สึกที่แขนเนี่ยมันจะไปเรียกสติเรียกจิตกลับมาให้มีสติหรือเตือนจิตให้มีสติแต่ว่าเราไม่ต้องร้อยใครมาแตะแขนเรานะเรายกมือสร้างจังหวะเราเดินตรงกลมไอ้ความรู้สึกว่ามือกําลังยก เท้ากาลังเดินนี่แหละเป็นความรู้สึกทางกายนี่แหละนะมันสามารถจะไปเตือนไปเรียกสติให้กลับมาหรือไปสะกิดใจให้มีสติขึ้นมาสติที่กําลังเพลินอยู่ในอารมณ์หรือกําลังกลุ่มอกกลุ่มใจนี่นะไอความรู้สึกที่กายนี่แหละจากการยกมือจากการเดินนี่แหละนะมันจะไปสะกิดใจให้มีสติพอจิตมีสติปุ๊บนี่มันกลับมาเลยนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ให้ความรู้สึกทางกายเนี่ยมีประโยชน์นะไม่ใช่ทําเล่นๆ น, นะมันไม่เพียงแต่จะทําให้เราเนี่ยอ่าเป็นไ ม, ม, นไม่มันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องฝึกให้รู้กายเท่านั้นแต่ต่อไปมันจะเป็นเครื่องฝึกจิตให้รู้ทันอารมณ์นะความรู้สึกของกายเนี่ยอย่างที่บอลนะมันจะเหมือนกับสิ่งที่มาส ก, กิดใจเราให้มีสติไม่ต้องร้อยใครมาแตะมือเราถึงจะมีสติคนะวามรู้สึกของกายนี่แหละ มันจะไปเรียกสติให้กลับมาแล้วทำให้เราหลุดจากอารมณ์นะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะเกิดความรู้สึกโปร่งโล่งนะเหมือนคนที่กำลังเหมือนคนเลี้ยงวัวที่กำลังดูวัวเล็มหญ้าอยู่ห่างดูไปก็ไม่ได้เครียดอะไรนะไอ้ความผ่อนคลายความเบาสบายมันจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรามีสติความรู้สึกตัว เอาชาดนบีญฑรินนะครับร okay, okay.